ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการทำและทัศนาชีวิตผมวสินอินทศระจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังวังแล้วถ้าช่วยให้คาแนะนําที่ดีก็นําไปปฏิบัติได้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาชีวิตเกี่ยวกับทุกได้เราได้เคยเฉลียวใจบ้างหรือไม่ว่าความทุกข์ความเดือดร้อนนั้นเป็นผลของการทําไม่ดีทําไม่ถูกต้อง บอกพร่องในหน้าที่หรือทำและคิดในทิศทางที่ฝืนต่อธรรมชาติธรรมดาแล้วก็ฝืนต่อความเป็นจริงสิงรวมเรียกว่ามิได้ประพฤติทมให้ถูกต้องนั่นเองถ้าเรายอมรับว่าธรรมคือธรรมชาติกฎของธรรมชาติหน้าที่ต่อกฎของธรรมชาติและผลที่จะได้รับจากการปฏิบัติอันถูกต้องตามกฎธรรมชาตินั้นแล้ว การปฏิบัติให้ถูกให้ควรแก่กรณีนั้นๆ น, น, นั่นแหละคือการประพฤติทำจะไม่เป็นทุกข์หรือมีทุกข์น้อยที่สุดเมื่อวันนี้ผมคุยกับท่านในข้อที่สองคือว่าทำที่บุคคลประพฤติดีแล้วนําความสุขมาให้หรือว่าต้องประพฤติดีนะครับต้องประพฤติให้ถูกต้องประพฤติทำให้ถูกต้องเพราะว่าไม่ใช่ประพฤติทำให้ทุจริต ทันที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าทำมันเรสุจริตตังณตังรุจริตตังเจรพึงประพฤติทมให้สุจริตอย่าประพฤติทมให้ทุจริตอีกตอนหนึ่งที่ตรัสกับพระเจ้าประเสนทิโกศลที่ว่าทำเมณนาวณีเจริไม่พึงเป็นผู้มีแผลประพฤติรมไม่พึงเป็นผู้มีแผลประพฤติรม หมายความว่าคนเราถ้ามีแผลก็ปิดแผลเอาไว้หาผ้าหาสิ่งอะไรมาปิดแผลเอาไวา้หรือว่าถ้าใส่เสื้อคลุมนนหนาๆก็ปิดแผลเอาไว้ไม่ให้เหแล้วก็บางคนก็ถือเอาการประพฤติทำบังหน้ า, าแล้วก็ช่อชนอยู่ภายหลังคดโกงอยู่ภายหลังอยู่ข้างหลัง อย่างนี้ได้ว่าเป็นคนมีแผลประพฤติทธธมอันนี้ถ้าเผื่อว่ามีคนเขาเปิดแผลขึ้นมาบัดใดก็จะเดือดร้อนเหมือนนั้นเมื่อวานนี้ผมพูดถึงว่าถ้าเรายอมรับว่าทรร ม, รร ม, รรมคือธรรมชาติทมคือธรรมชาติกฎของธรรมชาติ และก็นหน้าที่ต่อกกฎของธรรมชาติและผลที่ได้รับจากการปฏิบัติทันถูกต้องตามกฎของธรรมชาตินั่นแล้วเพราะการปฏิบัติให้ถูกให้ควรแก่กรณีนั้นๆ น, น, นั่นแหละคือการประพฤติ ธ, ธรรมก็จะไม่ต้องทุกหรือ ม, อ, หร อ, มอมีทุกน้อยที่สุดหรือถ้าจะมีทุก์ขามีทุกน้อยที่สุดกล่าวโดยย่อการประพฤติ ธ, ธรรม หรือปฏิบัติธรรมก็คือการทำหน้าที่ให้ถูกต้องสมบูรณ์คนเราแต่ละคนนะครับมีหน้าที่หลายอย่างคนที่เรายกย่องว่าเป็นคนดีก็คือคนที่ทำหน้าที่ของเขาดีที่สุดและเมื่อทำหน้าที่ของเขาดีแล้วเขาก็ย่อมจะได้รับความสุขความปลื้มใจเป็นรางวัล เรียกว่าได้รับรางวัลด้วยตนตนนั้นเองเป็นผู้มอบให้แก่ตนเป็นขั้นแรกก่อนต่อไปจึงเป็นเรื่องของคนอื่นที่ได้รู้ได้เห็นแล้วนิยมยกย่องให้รางวัลให้งานทำให้เงินใช้ไปจนถึงมอบตนให้อยู่ในการตูแหลยอมตนเป็นลูกน้องเป็น อะไรอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับคนผู้นั้นเป็นต้นนะครับเพราะว่าคนที่มีความเชื่อมั่นในธรรมเขาจะมอบตนให้แก่ทำ ม, มอบตนให้แก่ทำไปเลยธรรมมสหาหสมิดาโวะอย่างที่เราสวดมนต์เราสวดมนต์กันอยู่ธรมมสหาหสมิดาโสวะให้เราเป็นทาสของพระธรรม พระธรรมเป็นนายของเราพระธรรมโมเมสามิกิสโรพระธรรมเป็นนายของเราอย่างนี้เราจะเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายของเราแล้วก็สุดแล้วแต่พระธรรมให้เกียรติแก่ธรรมไม่ดูถูกธรรมไม่ดูหมิน่นธรรมไม่เหยียบย่ำธรรมแล้วก็พร้อมที่จะพร้อมที่จะเสียสละเพื่อธรรมอย่างนี้ ท่านลองนึกดูตัวอย่างว่าถ้าเรามีลูกน้องสองคนคนหนึ่งทำหน้าที่ของตนดีทุกอย่างอีกคนหนึ่งไปทำอย่างอื่นซึ่งไม่ใช่หน้าที่ขยันเหมือนกันแต่ขยันทำงานนอกหน้าที่เมื่อถึงคราวจะให้ดารงตำแหน่งสูงขึ้นไปเราจะให้ใครก็มีเรื่องเล่าเอาไว้ มีเรื่องเล่าออกไปมีอยู่เรื่องหนึ่งเล่าออกไปว่าผู้จัดการคนหนึ่งมีลูกสาวสวยคราวหนึ่งตำแหน่งหัวหน้างานว่างลงมีลูกน้องอยู่สองคนที่ควรได้รับพิจรารณาเลื่อนขึ้นเป็นหัวหน้างานลูกน้องคนหนึ่งเชื่อมั่นว่าเขาจะได้เลื่อนเป็นหัวหน้างานเพราะเขาเป็นเพื่อนสนิท ก, กับลูกสาวของผู้จัดการ เป็นเพื่อนเที่ยวเป็นเพื่อนเต้นราที่นี่อีกคนหนึ่งทําแต่หน้าที่ของเขาอย่างถูกต้องสมบูรณ์วันรุ่งขึ้นจะเป็นวันประกาศว่าใครจะได้เป็นหัวหน้างานคือ น, นั่นลูกสาวของผู้จัดการและเพื่อนหนุ่มยังไปเต้นรากันอยู่ชายหนุ่มก็อยากรู้ อยากรู้เต็มทีว่าตำแหน่งจะได้แก่ใครจึงชวนหญิงสาวออกนอกห้องเต้นราพอพยายามถามว่าใครจะได้ตำแหน่งหัวหน้างานในวันพรุ่งนี้หญิงสาวไม่บอกผู้จัดการรอบเข้ามาข้างหลังแล้วก็บอกว่าคุณไม่ได้เป็ด <c oughs> ผู้จัดการรอบเข้ามาข้างหลังมันบอกว่าคุณไม่ได้เป็ด เพื่อนของเขาได้ตำแหน่งหัวหน้างานเพราะทำหน้าที่ของตนดีอันนี้แหละครับเรียกว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมแล้วก็ทำก็ให้รางวันลนำความสุขความสำเร็จมาให้คราวนี้เมื่อจะออทำสิ่งใดก็ให้ทำด้วยความสุจริตใจมีความจริงใจต่อบุคคล ที่ทำและสิ่งที่ทำพระพุทธองค์ตรัสเตือนไว้ว่าอพึงประพฤติธทำให้สุจริตญตามที่ผมได้พูดถึงแล้วสักครู่นี้นะครับก็กบบพูดซ้ำอีกทีหนึ่งว่าพึงประพฤติธทำให้สุจริญนะตั้งรุจาริตั้งจริไม่พึงประพฤติทำให้ทุจริตพึงประพฤติสุจริตไม่พึงประพฤติทุจริต รรมจารีสุ ข, ขังเศรติผู้ประพฤติ ธ, ธรรมย่อมอยู่เป็นสุขอัศเมงโลเกปรมีเจทางในโลกนี้ในโลกนา่าทรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ตามที่กล่าวมานี้ท่านก็พอมองกห็แต่ทีนี้บางทีเราเอาทมไปแขวนไว้สูงเกินไปไปแขวนไว้สูงเกินไปจนคนเอื้อมไม่ถึง ไม่ถึงว่าคนเรื่องไม่ถึงคนก็เห็นว่าทมไม่มีประโยชน์แก่เขาเราไม่ได้นำทำมาไอดีนต์ไให้เข้ากับชีวิตของคนว่าชีวิตกับทำและการทำงานเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ได้แต่ในส่วนมากไปพูดไปสอนไปพูดกันไปสอนกันเสียวว่าถ้าจะประพฤติทมต้องไม่ทำงาน ถ้าจะทำงานก็ต้องเลิกประพฤติทำเพราะมันไปด้วยกันไม่ได้อย่างนี้เราทาอย่างนี้ก็แปลว่าเอาเอ า, เอาทำไปแขวนไว้กับกิ่งฟ้าซึ่งกิ่งฟ้ามันไม่มีมันไม่มีเหมือนที่ผมพูดเมื่อวานนี้ว่าถ้าใครมาบอกว่านะเพื่อนเขาถุกกระต่ายผิดตายก็เป็นอันว่าเลิกเชื่อเลยเพราะว่าเขากระต่ายมันไม่มีแล้วก็ เขาเป็นบุตรของหญิงหมันก็เลิกเชื่อได้เลยไม่ต้องไปสืบว่าหญิงหมันคนไหนเพราะว่าหญิงหมันมีลูกไม่ได้นะถ้าเอาธรรมะไปแขวนไว้กับกิ่งฟ้าก็เลิกเรียนกันเลยเพราะว่ากิ่งฟ้ามันไม่มีเลิกเรียนกันเลยมันไม่มีประโยชน์อะไรกับชีวิตก็ไม่รู้จะเรียนให้มันเหนื่อยทําไมให้มันปวดหัวทําไมแ้วเราต้องเอามาใช้กับชีวิตให้ได้ ะต้อง i d e n t i f i c a t i o n ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกันกบชีวิตถ้าทำกับชีวิตกับงานต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันชีวิตนี้เพื่อ ง, งานแล้วก็งานนี้เพื่อทำแล้วก็ทำนี้ก็เพื่อชีวิตอย่างนี้มันก็กากันอยู่เกาะกลุ่มกันอยู่อย่างนี้ก็มีประโยชน์แก่มีประโยชน์แก่ชีวิตไม่งั้นก็ ครับไม่เป็นปรมัตถธรรมที่มันแขวนอยู่กับกิ่งฟ้าอเราต้องให้เป็นปรมัตถธรรมที่เรียกว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งปรามะแปลว่าอย่างยิ่งอัตถะอันแปลว่าเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ปรมัตถะปรมัตถธรรมธรรมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเป็นประโยชน์แก่อะไรก็เป็นประโยชน์แก่ชีวิตเป็นประโยชน์แก่ชีวิต จะทำมันไม่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตจะเป็นประโยชน์แก่อะไรมันก็ไม่เป็นประโยชน์แก่อายระก็กวาดทิ้งไปให้หมดเลยกวาดทิ้งไปให้หมดเลยเสียเวลาเสียประโยชน์ทำนองนี้นะครับมาถึงหัวข้อที่สามนะครับที่อ า, อาละวากอยกถามพระพุทธเจ้าว่าอะไรเป็นรถเลิศกว่ารถทรั้งหลาย พระพุทธเจ้าก็จัด่อบว่าสัจจะเป็นรถเลิศ ก, กว่ารถทรั้งหลายสัจจังเอาวีสาธุตรลังรส า, านังสัจจะเป็นรถเลิศ ก, กว่ารถทรั้งหลายสัจจะนั้นแปลว่าความจริงนะครับก็แบ่งออกเป็นสามอย่างคือว่าจริงทางกายจริงทางวาจาแล้วก็จริงใจจริงกายก็คือทำสิ่งใดที่พิจารณาด้วยปัญญา ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ชอบแล้วก็ทําจริงทําจริงไม่ทําจับจดเพราะมีความภาคเปลี่ยนเป็นไปติดต่อสม่ําเสมอไม่จับจับว่างวางมีความบากบั่นมั่นคงไม่รีบร้อนแต่ก็ไม่หยุดอทําไม่ ย, อยอ่อหย่อนการทําที่ย่อหย่อนจะหวังผลมากไม่ได้ พระพุทธภาสิทก็ไม่เชิงเป็นพระพุทธภาสิทธิทีเดียวมีเทวดามาก็ส่งอนุมัติคำกราบทุนของเทวดาณเทพบุตรทายาะเทพบุตรอย่างกินจิสิทธิทลังกามังการงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่ย่อจอดณนะตังโหติมหผลังอันนั้นไม่มีผลมากพระพุทธเจ้าท่านส่งอนุมัติเห็นด้วยในถ้าต้องการผลมากต้องทําเหตุให้มาก อบรมให้มากตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เสมอว่าพาวิตาพาวุริกตาพาวิตาแปลว่าอบรมให้มากทำให้มากมาพัลลาโหติมหานิสังสาก็จะมีผลมากมีอานิสงส์มากการทำงานนั้นพอเริ่มทำก็อาจจะฝืนนิดหน่อยนะครับหรือต้องฝืนใจทำา้ัง พอทำไปสักครู่หนึ่งก็จะเริ่มมีรสของการทำงานเราอาจทำอยู่ได้หกเจ็ดชั่วโมงโดยไม่เบื่อหน่ายเพราะว่าเกิดรสของงานขึ้นบางคนจึงสามารถหมกตัวอยู่กับงานได้เป็นเวลาหลายหลายวันทีนี้ถ้าเขาทำด้วยความเบื่อน่ายก็จะไม่เกิดรสเพาไม่เกิดรส แล้ว ถ, ถ้าทำด้วยความพอใจก็จะเกิดรถอย่างยิบความจริงทางกายคือการทำจริงนักวิ่งบางคนได้รถในการวิง่งถึงติดกันวิง่งอยากวิ่งทุกวันเมื่อวิ่งแต่ละคราวจนได้รถแล้วก็ไม่อยากเลิกเพราะว่าทำให้ตัวเป่าอินสีกับปรีก่กระปล่ามีความสุขจิตใจสดชื่นเปิดบาน จริงวาจาท่านนี้มาพูดถึงเรื่องจริงวาจาหมายถึงการพูดจริงที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมวาจาจริงที่ประกอบด้วยความอ่อนหวานเป็นประโยชน์และเป็นธรรมนั้นเป็นเครื่องดูดดื่มใจเกิดรสในการพูดจาสนทนากันเรียกว่าเสวนารสเรียกว่าเสวนารสผู้ฟังรู้สึกชื่นใจหวานหูไม่รู้หาย จดจำระลึกไว้เสมอและลึกขึ้นทีไรเขาปลื้มใจได้รู้สึกรักผู้พูดแล้วก็อีกประกันหนึ่งนะครับเรารับปากจะทำสิ่งใดกับใครแล้วก็ทำให้ได้จริงตามที่ตามกำหนดเวลาไม่บิดเริ้วแปรผันตัวอีุที่ไม่สมควรหรือสักแตลว่าเพียงยกมาเป็นข้ออ่านเป็นผู้รักษาคำพูด เป็นที่เชื่อถือได้แต่ว่าสัตวยวัจโจ ส, สัตวยวัจโสเป็นผู้ที่มีวาจาเชื่อถือได้ถ้าทําให้เขาไม่ได้ตามที่รับไว้ก็รีบบอกคืนเสียแต่เนิบเนหรือว่าหาผู้อื่นที่เหมาะสมทําแทนไม่ให้เขาต้องเสียเวลาในการรอคอยแล้วก็ไม่ได้อะไรตามที่ตั้งใจไว้อันนี้คือจริงวาจะเป็นรถ ทั้งเด็กท่ น, นี้มาพูดถึงจริงใจก็มีความซื่อตรงเที่ยงธรรมไม่เจตนาจะหลอกลวงผู้ใดให้เข้าใจผิดโดยแซงทมกิริยาวาจาที่ไม่ตรงกับความรู้สึกแต่การบังคับตัวเองอดกลั้นอารมณ์ไม่ตีไว้ใจไม่แสดงกิริยาวาจาหยาบคายก็มีอารมณ์พรุ่งพร่านอยู่ภายในอย่างนี้ควรัำ ไม่ถือว่าไม่จริงใจไม่ถือว่าเป็นการไม่จริงใจอันนี้เป็นโซรัจะเป็นโสรัจัธรรมเราต้องแยกให้ออกว่าอะไรเป็นโสรัจัธรรมอะไรเป็นความไม่จริงใจคนที่เขา้ามาสมาคมกันนั้นนะครับควรจะมีความจริงใจต่อกันสิ่งนี้เป็นที่ต้องการของคนทุกคนว่าถ้าใครไม่จริงใจด้วยก็ไม่ชอบ เราเองก็ไม่ชอบคนที่ไม่จริงใจต่อเขาเราจรึงควรจริงใจต่อผู้อืน่นเสมอเพื่อครอบกันอย่างสนิทใจและเกิดรสในการเบ้าาสมาคมเป็นรสเลิศไม่จิดจางรสอาหารเปรี้ยวหวานมันเค็มอย่างจืดจางง่ายแต่รสแห่งความรักใคร่จริงใจต่อกันนั้นเป็นรสที่สับซึ้งจริงใจอยู่ตลอดชีวิตยังสืบต่อไปถึงชาติหน้าอีกด้วย มันมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องไปถึงชาติหน้าอีกด้วยว่าคนที่มีความรักกันอย่างดุดดื่มเ็เหตุการณ์จะชักนำมาให้พบกันครั้งแล้วครั้งเล่าชาติแล้วชาติเล่าลเพื่อตอบสนองความรักนะทุกรูปแบบให้ขึ้นถึงขั้นสมบูรณ์ก็อยู่ที่ความจริงใจต่อกันกล่าวให้สูงขึ้นไปอีกสักหน่อยนะครับคือเราแต่งสัจจะคือธรรม พระธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสัจธรรมนำผู้ปฏิบัติตามให้พ้นทุกได้จริงเมื่อได้ลิมรสแดงสัจธรรมแล้วก็จะรู้ได้ด้วยตนเองว่าเป็นรสเลิศเพียงใดสมดังที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าสัพพะสังธรรมรารโสชินาทิสดแดงพระธรรมย่อมชนะรสทั้งปวง ในแง่สูงนะครับคำว่าสัจจะเป็นรถเลิศกว่ารถทั้งหลายกับคำว่ารถแห่งธรรมย่อมชนะรถทั้งปวงนั้นมีความหมายอย่างเดียวกันทีนี้อะะรรถกักธรรมตอไปว่าบุคคลมีชีวิตอยู่อย่างไรจรึงจะเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุดพระพุทธเจ้าจัดตอบว่าผู้มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุด ผู้มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญานักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐกล่าวอีกทีหนึ่งว่าชีวิตที่ประเสริฐนั่นคือชีวิตที่ประกอบด้วยปัญญาชีวิตทุกชีวิตนะครับต้องการความสุขหลิกเรี่ยงความทุกข์แต่ทำไมโลกของเราสังคมของเราครอบครัวของเราและแม้แต่ตัวเราเองจึงยังจมอยู่ในห้วงทุกข์คตอบก็คือว่าเพราะว่าเรายัางโง่งเขลาเพราะอาวิชชา เรายังไม่มีปัญญาพอที่จะทําตนให้ถูกต้องตามธรรมจนสามารถจะเอาชนะความทุกข์ได้บางอย่างเรารู้แต่ไม่รู้จริงรู้ไม่พอจะแก้ปัญหาชีวิตหรือดําเนินชีวิตไปใ น, นทางที่ถูกต้องเหมาะสมได้ผู้อยู่ในกาลครอบคื่อวิชาอาวิชาเป็นมูโมน่งทุกส่วนผู้ที่มีปัญญาย่อมประสบสุขได้แม้ในสภาวะที่น่าจะทุกข์ อันนี้ผมนำมาพูดบ่อยนะครับปัญญาไสโตนโรอิทัปปิทุเกสุสุขานิวินดติแปลว่าผู้มีปัญญาย่อมประสบสุขได้แม้ในสภาวะที่น่าจะทุกข์พราตรงกันข้ามกับคนที่ไม่มีปัญญาเขาเป็นทุกข์แม้ในสถานการณ์ที่น่าจะสุขทั้งนี้ก็เพราะคิดไม่เป็นแล้วก็มาถึงข้อที่สี่มาถึงข้อที่สี่ือว่ามีชีวิตอยู่อย่างไร แต่ ว, ตตว่ามีชีวิตที่ประเสริฐพระพุทธเจ้าก็าตรัสว่ามีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาจะเป็นชีวิตที่ประเสริฐเมื่อวันก่อนผมก็ได้พูดถึงเรื่องนี้บางแล้วในเรื่องมีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเช่นว่าคนที่มีปัญญาในโลกนี้ย่อมจะหาความสุขได้แม้ในเหตุการณ์ที่น่าจะทุกข์ ถ้าจงเงินข้ามกับคนที่ไม่มีปัญญาเพราะเขาจะเป็นทุกข์แม้ในสถานการณ์หรือในสถานภาพที่น่าจะสุขทั้งนี้ก็เพราะว่าคิดไม่เป็นคือว่าคิดไปแต่ในทางที่จะให้เกิดทุกข์ที่จริงก็ก็จริงเหมือนกันนะครับที่ว่าพระพุทธศาสนาสอนให้พิจารณาทุกข์ทางในอริยสัจ ก็ ข, ขึ้นต้นด้วยทุกข์และชีวิตจะกอบไปด้วยทุกข์ครุกคราวไปด้วยทุกข์แต่ไม่ใช่เพื่อให้เป็นทุกข์ว่าพิจารณาทุกข์เพื่อให้เกิดสุขเหมือนแพทย์พิจารณาโรคเหตุเกิดของโรคแต่ไม่ใช่เพื่อให้เป็นโรคแต่เพื่อกําจัดโรคเพื่อความหายโรคบางคน แล้วก็คิดไปเองทุกอย่างจนเป็นโรคประสาทกลัวไปหมดทุกอย่างคือว่าจูงจิตตัวเองให้เป็นไปในทางร้ายทั้งนั้นลืมบอกไปว่าตอนนี้ฝนกำลังตกนะครับพิจารณาทุกเพื่อให้เกิดตกยังปัิญาเทราวาทท่านบอกว่า มองทุกข์ให้เห็นจึงจะเป็นสุขถ้ามองทุกข์ไม่เห็นก็ไม่เป็นสุขอันนี้ก็ขอไปคิดดูว่าทำไมท่านจึงบอกว่ามองทุกข์ให้เห็นจึงจะเป็นสุขถ้ามองทุกข์ไม่เห็นก็จะไม่เป็นสุขเพราะถ้าเป็นถ้ามองทุกข์เห็นเห็นทุกข์ก็เบื่อหน่ายในทุกข์เมื่อนั้นก็จะเบื่อหน่ายในทุกข์ เช่นพระพุทธพจนวะอาัพเบสังขาราทุกขาสัพเพสังขาราทุกขาติสยดาปัญญายปัสสติเมื่อใดบุคคลมาพิจารณาเห็นว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกขาฐานนิปินดติทุเคเมื่อนั้นก็จะเบื่อหน่ายในทุกข เ僧มัคค و ิสุธทธิยานั่นคือทางเห็นความบริสุทธิ์แต่ถ้าเผื่อว่าไม่พิจารณาเห็นทุกข์ไม่เห็นทุกข์ไม่รู้จักทุกข์มันก็เพิดเพลินไปในทุกข์เพิดเพินไปในทุกข์ น, น, กนั่นแหละก็คิดว่ามันจะเป็นความสุขก็เพิดเพลินไปในทุกข์แลวก็ไม่มีทางที่จะกำจัดทุกข์หรือพ้นจากทุกข์ไปได้ เหมือนคนเป็นโรคแล้วก็ไม่รู้จักโรคไม่เห็นโรค ก, ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่มันรบกวนอยู่อย่างนี้มันก็ก็ไม่มีทางที่จะเยียวยาโรคได้เพราะบางคนก็คิดไปเองทุกอย่างจนเป็นโรคประสาทกลัวไปหมดทุกอย่างจูงจิตตัวเองไปในทางร้ายทั้งนั้นชีวิตจึงจมอยู่ในกองทุกข์ ทีนี่ถ้าลองไึกดูว่าถ้าเราจูงจิตไปในทางร้ายได้ถ้าทําไมจึงไม่จูงจิตไปในทางที่ดีแต่เราจะคิดดีขึ้นแล้วก็มีความสุขขึ้นด้วยวันนี้วันนี้ก็ฝนตกตักทั้งวันฝนตกทั้งวันตั้งแต่ตั้งแต่เช้าก็มาเช้าบ่ายเย็นกลางคืนก็ยังตกจยู่กรถติดรถติดมากเป็นพิเศษ ในสภาพที่รถติดอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคิดไม่เป็นก็หงุดหงิดแยะเลยถ้าคิดเป็นม่รอดคิดอะไรไปที่จะเป็นประโยชน์นจากการที่รถติดมันก็ได้ได้อะไรหลายอย่างเหมือนกันใด่ความคิดได้ความอ่านอะไรหลายอย่างมันได้คิดอะไรหลายอย่างในขณะที่รถติดและสวดมนต์ก็ได้บางคนก็รถติดก็สวดมนต์ ถ้ารถไม่ติดก็สวดไม่ได้รถติดก็สวดมนต์ก็ได้จําสวดมนต์ไว้เยอะๆหน่อยสวดมนต์ไว้เยอะๆแล้วสวดื่อยไปรถติดก็ติดไปเราก็ได้ประโยชน์ูในขณะนั้นเขาได้ประโยชน์อันนี้เดี๋ยว่าคนคิดเป็นนะแทนที่จะไปเดือด้อนกับเรื่องที่รถติดอัวนี้ถ้าเราจุงจิตตัวเองไปในทางที่ดีก็จะคิดดีขึ้น แล้วก็มีความสุขขึ้นด้วยตัวอย่างเช่นว่าถ้าเรากลัวความสูญเสียถ้าสูญเสียงานสูญเสียสามีสูญเสียพัญญาสูญเสียลูกสูญเสียคนรักสูญเสียเงินทองสิ่งของที่มีอยู่ตอนนี้ยังไม่สูญเสียแต่ว่ากลัวไปก่อนเพราะความกลัวนี้มันรบกวนจิตใจจนไม่มีความสุข จนไม่มีความสุขเลยความกลัวมันรบ ก, กวนจิตใจจนเราไม่มีความสุขและทำอะไรไม่ได้มีแต่นั่งเศร้าซึมหมินมองตอนนี้ถ้าเราเปลี่ยนแนวจิตจะใหม่ไปในทางที่จะไม่กลัวเราก็จะไม่มีทุกข์แต่เปลี่ยนแนวจิตช่ใหม่สมมติว่าเกิดสูญเสียขึ้นมาจริงๆ เราก็ยังสามารถคิดให้เอาจิตรอดได้ให้เอาใจรอดได้ก็คนเรานี่มาตัวเปล่าทรัพย์สมบัติหรือสิ่งต่างๆที่เราหวงแหนยึดมั่นว่าเป็นของเราอยู่นี่แ้่เรามายึดเอาภายหลังทั้งนั้นมันไม่ไปไหนหรอกมันก็เป็นสมบัติของโลกมันอยู่ในโลกนี้แหละหาใกลเอาไปไม่ได้ หลงไหลกันไปเปล่าๆก็หลงไหลในสิ่งสมมติของโลกแต่หลงไหลเศษผ้าสีบ้างหลงไหลเศษผ้าสีบ้างหลงไหลทองแดงบ้างกระดาษเปลื่นสีบ้างท่านก็คงจะคิดได้นะครับท่านคงคิดได้ว่าเศษผ้าสีคืออะไรทองแดงคืออะไรกระดาษเปลื่นสีนั้นคืออะไร เขาก็ทานสีขาวบ้างทานสีขาวก็ติดพัน์ในซากศพ บ, บ้างอะไรบ้างมันก็แล้วแต่แต่และบุคคลมันก็หรือว่ า, เ, าเรามีเรามีบ้านคิดไปมันมันเล็กนักมันไม่ใหญ่ไม่โตไม่อุดาไม่อะไรก็พออยู่พออาศัยพออยู่ได้ทำประโยชน์ได้แ้วสิ่งที่เราคิด สำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่ามันอายุมันยืนกว่าเราอ่ะอเราต้องไปก่อนแน่ๆกว่าถ้าอายุมากแล้วเราต้องไปก่อนบ้านยังอยู่บ้านยังอยู่แต่เราต้องไปก่อนเราต้องตายก่อนเพราะงั้นเถอดยังอยู่มีวิธีคิดมากมายที่คนมีปัญญาก็มีวิธีคิดมากมายเพื่อที่เราจะได้มีชีวิตที่เปรนเสื่อ เราก็ต้องพยายามแยกให้ออกว่าอะไรเป็นของจริงอะไรเป็นของจริงอะไรเป็นของสมมติว่าปลูกเราวิญญาณหรือว่าปลูกเราญาณทัศนนะของเราให้เกิดขึ้นอย่างแจ่มเจระญแจ่มแจ้งถ้าเราจะมีชีวิตอยู่เนื้อสิ่งสมมติของโลกเห็นอะไรต่างๆที่มนุษย์ยื้อแย้งแสวงหากัน อยู่อย่างทุ่งเทชีวิตไม่เป็นของเด็กเล่นเห็นสิ่งที่มนุษย์ยือแยงสแสวงหากันอย่างทุ่มเทชีวิตนั่นเป็นของเด็กเล่นเด็กมันก็แย่งจริงอะไรกันของเล่นของเล่นเด็กมันก็จิงแย่งจริงกันนี่เราซึ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วดูเด็กมันแย่งจริงของเล่นกันก็อดอดทาไม่ได้อดสงสารไม่ได้ เวลาคิดอย่างผู้ใหญ่เป็นเด็กเป็นแย่งของเล่นกันเราก็ ร, ารู้สึกอาสงสารแล้วก็ตอนนี้ว่าเราไม่ได้แย่งของเล่นเ ด, ด็กอย่างเด็กทีนี้ผู้ใหญ่บางทีก็แย่งของเล่นกันเหมือนกันแต่ว่ามันเล่นคนละอย่างผู้ใหญ่เนเล่นคนละอย่างแล้วก็แย่งของเล่นกันแต่มันก็ยังแย่งของเล่นกันอยู่นั่นแหละแต่ว่ามันเล่นกันคนละอย่าง ถ้าเราคิดได้อย่างนั้นเราก็ไม่แย่งกับใครปัญญาอย่างเนี้ยกับปัญญาแบบเนี้ยมันทำให้จิตมันถอยออกมาจากความมัวเมาในโล ก, กธรรมคือลาบยศเสน่ห์ชื่อเสียงแล้วก็ความสุขที่เจอได้ความทุกข์น า, นานาประการเพราะว่าเห็นเป็นของเด็กเล่น แค่ว่าจะประสบสภาพที่ตรงกันข้ามคือว่าเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาแล้วก็ทุกขก็สามารถจะยืนหยัดด้านทานอยู่ได้ด้วยจิตใจที่เข้มแข็งขอดทนเห็นเป็นเรื่องละครตอนโศกไปเป็นละครตอนสศกโลกคือละครโรงใหญ่ชีวิตของแต่ละคนก็เหมือนตัวละครตัวหนึ่ง ถ้ายิ่งเทียบกับจักรวาลด้วยแล้วเราก็เป็นอนูเป็นอนูเป็นปุณธุรีอันหนึง่งของจักรวาลไม่ได้มีความสำคัญอะไรคิดใจอย่างนี้บ่อยๆอยาสมิมาณนะมันเกิดไม่ได้ความท่านงงตนมาณนะอะไรต่างๆอติมาณนะ ดูมิตรผู้อื่นหรือยกตนข่มผู้อื่นมันมีไม่ได้แล้วก็ผลที่ตามมาที่ดีก็คือว่าไม่วันไหวต่อความขึ้นลงของชีวิตหรือว่าวันไหวก็น้อยที่สุดเราไม่ใช่พระอรหันต์าาาก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าต้องการมีชีวิตที่เปะเสิข ก็จำเป็นต้องเดินตามรอยพระอารหันต้องจำเป็นจำเป็นทีเดียวที่จะต้องเดินตามรอยพระอารหันหรือว่าอย่างน้อยก็ได้เห็นหลังท่านเดินตามรอยพระอารหันแล้วก็เห็นหลังท่านอยู่หรือว่าได้ยินเสียงกู่ของพระอริยะได้ยินเสียงกู่ของพระอริยะไม่ไกลเกินไป ไม่ไกลเกินไปกับพระอริยะจนไม่ได้ยินเสียงกูของพระอริยะเหตุการณ์ในชีวิตในส่วนที่เป็นทุกข์นี้นะครับพอเมื่อพิจารณาด้วยปัญญาชอบก็น่าจะมีหลายๆอย่างเป็นดอกผลของกรรมที่เราต้องชำระจาดสางให้หมดสิ้นไป เมื่อเป็นอย่างนี้เราต้องตั้งใจต่อสู้ปัญหาชีวิตด้วยความทรหยอดทนขอทบัวนอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าบางอย่างความทุกข์บางอย่างมันเป็นดอกผลของกรรมที่เราต้องชำระจัดสางให้หมดสิ้นไป นี่เราจึงต้องตั้งใจต่อสู้ปัญหาชีวิตด้วยความทุเลาะหดอดทนเมื่อ น, นี่เก่าหมดไปแล้วนี่ใหม่เราไม่ได้สร้างความทุกข์ก็จะสิ้นไปหมดไปเปลืองไปเราจะได้มีโอกาสเสวยผลของกรรมดีที่เราตั้งอกตั้งใจสร้างไว้อย่างน่าชื่นใจทีเดียวเหมือนชาวสวนนะครับ ต่สวนปลูกต้นไม้ไว้เป็นอันมากโอกาสที่จะเก็บเกี่ยวผลย่อมจะต้องมีเป็นธรรมดาปัญหาทุกอย่างนะครับขอให้คิดแต่ว่าเป็นบททดสอบสติปัญญากำลังกายกำลังใจและความโง่เขาของเราว่ามีมากน้อยเพียงใดถ้าลองคิดดูนะครับ เมื่อเราเป็นนักเรียนอยู่ในโรงเรียนนั้นเราต้องตอบข้อสอบมากมายแล้วก็ผ่านมาได้ด้วยดีแ้่จะตกบ้างบางวิชาหรือบางปีเราก็ตั้งใจสอบแก้ตัวใหม่ในที่สุดก็เรียนจบตามชั้นนั้นนั้นตามความสามารถ ของแต่ละคนตอบจากโรงเรียนมาได้ทีนี้เมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่อยู่ในโรงเรียนโลกโลกทั้งหมดนี้เป็นโรงเรียนของเราเราก็จาเป็นต้องตอบข้อสอบของโลกซึ่งมีมากมายและก็นักหน่นวงยิ่งกว่าข้อสอบในโรงเรียนทีนี้ถ้าเราโง่เราก็ตอบไม่ได้ เราพ่ต้องทุกข์ทุกข์ของเราและของโลกก็รล้วนมีมูลมาจากอาวิชชาความไม่รู้ความไม่รู้จริงรู้ไม่แจมแจ้งปาญหาทุกอย่างครับขอให้ถือเสวาเป็นเหมือนหินรลับนิ่เคยสถิตปัญญาของเราเป็นเครื่องทดสอบกำลังกายกำลังใจ กำลังความคิดของเรากำลังทั้งสามอย่างนี้ยิ่งใช้มากยิ่งใช้อย่างสม่าเสมอเท่าไหก็จะยิ่งเพิ่มฟูนมากขึ้นเท่านั้นและก็เป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นถ้าไม่ใช่ก็จะยิ่งเสื่อมถอยลงธรรมชาติมาต้องวิ่งนะครับธรรมชาติสติปัญญาต้องใช้ อย่ไปกลัวอย่าไปกลั ว, ลวสมองมันจะเป็นอะไรไปจะยิ่งใช่มากมันก็ยิ่งมีประสิทธิภาพกิ่งใจมากใช้สม่ำเสมอแต่ก็อย่าหักผมเกินไปถ้ามันเหนื่อยแล้วก็พักเถะบ้างแต่ส่วนมากมันไม่ใช่เหนื่อยสมองไม่ค่อยเหนื่อยแตเเ่เป็นความเบื่อเป็นความเบื่อมากกว่า ทำไปทำไปก็เบื่อพอเบื่อก็สมองก็ลาถ้าไม่เบื่อก็ไม่เป็นไรทำได้ในการนี้ครับการฝึกฝนอบรมตนเองมีความสำคัญยิ่งกว่าการได้รับฝึกฝนอบรมจากผู้อื่นเพราะว่า ไ ม, ม่ใครฝึกใครได้ครับถ้าคนนั้นไม่ฝึกฝนอบรมตนเองถ้าเขาไม่ฝึกฝนอบรมตนเองได้ไม่ฝึกฝนอบรมตนเองด้วยใครก็ฝึกเขาไม่ได้คนที่ฝึกได้ดีก็คือคนที่เขาฝึกฝนอบรมตนเองอยู่แล้วปูืนเป็นแต่เพียงชี้แนะแนะนำแนวทาง ผูฝึกฝนอบรมตนดีแล้วยอมได้ที่พึ่งซึ่งได้โดยยากเราพยายามฝึกตนเองให้มีนิสัยมองเหตุการณ์ทุกอย่างในชีวิตในแง่ที่เป็นประโยชน์เขแย่งหาประโยชน์เจาะหาประโยชน์จากเหตุการณ์นั้นๆไม่ว่าเหตุการณ์นั้นก็ให้เกิดทุกข์หรือเกิดสุขอย่างไรเราก็สามารถเอามาเป็นบทเสียน เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาจิตใจขึ้นสู่ระดับสูงอยู่เสมอนี่คือวิสัยของผู้มีปัญญา